แล้วคิดจะตัดชั้นราคาในตาหูจมูกลิ้นกายใจไหมสักวันหนึ่งนะจะต้องตัดเยื่อใยเนี่ยนะจะต้องมองเห็นตาตาตาเนี่ยกับอะไรนะกับเมตาแมวเนี่ยมันเท่ากันนะเมื่อใดที่มองเห็นตาเนี่กับเม็ตาแมวเนี่ยเหมือนกันแต่เมื่อใด น, นะที่เห็นกายเนี่ยเหมือนกับเสมอด้วยต้นไม้ใบหญ้าว่างันเถอะให้มัน ต้องตัดชันธราค่าให้ได้สักวันหนึ่งเพราะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่เลวร้ายเหลือเกินความโลภก็ไล่ทะลักมาปานนั้นความโกรธก็ท่วมทับปานนั้นความลุ่มลงก็เกิดปานนั้นสักวันหนึ่งเธอจะต้องตัดฉั้นธราค่าในตาหูจมูกลิ้นกายใจให้ได้อย่างไงนะ ต, ตั้งความปรารถนาแบบนี้ได้ก็เลิกโกรธแล้วไม่รู้จะทาใครจะทําอะไรให้โกรธบ้างเนะเพราะตามองเห็นนี่แหละตาก็ไม่ได้รักอยู่แล้วนี่แหละตาเจ้ากรรมนี่แหละสร้างเหตุสร้างเวรสร้างกรรมทําให้โกรธเนี่ยนะสอด สอดสายตาสแสวงหาความโกรธนี่แหละถ้าไม่มีตาน่นไม่โกรโรอกงั้นก็ตาบอดอสิหมายว่าไม่มีตาในวัฏฏะเลยเนี่ยนะไม่มีหูจมูกลิ้นกายใจในวัตฏะเลยจะมีทุกข์ไหมไม่มีรอกนี่นะอันทัดชั้นธราคะในอายตนะภายในอายตนะภายนอกได้แล้วก็ละความโกรธได้แล้วหรืออีกอย่างหนึ่งมนุสโลกชื่อว่าฝังในเทวโลกชื่อว่าฝั่งนอกก็ละตัดชันธราคะในมนุษย์และเทวโลกการมาธาตุชื่อว่าฝั่งในรูปธาตุอรมณ์ธาตุชื่อว่า ฝั่งนอกกามาพบรูปประพบเรียกว่าฝั่งในอรูปประพบเรียกว่าฝั่งนอกอัตภาพเช่นรีว่าภายในเนี่ยในเรียกฝั่งในข้าของเครื่องใช้อุปกรณ์แห่งสุขเช่นเสื้อผ้าเป็นต้นเรียกว่าฝั่งนอกภิกษุละอยู่ซึ่งฉันทราคะในฝั่งในฝั่งนอกด้วยมัทที่สี่คืออรหัตตมัทอย่างนี้ท่านเรียกว่าละฝั่งในฝั่งนอกเสียได้เห็นยังไงจึงจะละฉันทราคะได้ก็เห็นว่า ไม่งามอสุภาอนิจังทุกขังและอนัตตาถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆก็ตัดฉันทราคะในสิ่งนั้นได้ถ้าตัดฉันทราคะได้จากสิ่งทั้งปูนแล้วมีทุกมาจากไหนพระพุทธเจ้าตรัสว่าชนะตันหาเรียกว่าชนะทุกขทั้งมวลเนี่ยนะถ้าดับตันหาเรียกว่าดับวัตถทุก์ทั้งมวลมันก็ตั้งใจว่าทําบุญให้ทานตั้งความปรารถนาขอให้ตัดฉันทราคะได้ฉันทราคะนี่คือศัตรูที่เลวร้ายที่สุดเนี่ยนะคือมหาอะไรนะ ตัวโซ่ตัวตัวที่ล่ามเอาไปโยนในวัตตะตัวที่พาล่ามให้ตกอยู่ในสังสารทุกข์เนี่ยนะก็ในฝั่งในและฝั่งนอกนี้พระอนาคามีไม่มีฉันทราคะในอัตภาพนี้เป็นต้นเพราะเหตุที่ท่านละการมาราคะได้แล้วก็จริงถึงกระนั้นก็ยังกล่าวว่าละฝั่งในและฝั่งนอกได้ด้วยการละฉันทราคะ ในพระคถานั้นเพราะสงเคราะห์ฝั่งในและฝั่งนอกทั้งหมดเข้าด้วยกันเพื่อประกาศคุณแห่งมรรคที่สี่นั้นเหมือนมรรคที่สามเป็นตน้นบัดนี้เพื่อประกอบเนื้อความนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสอุปมาว่าละฝั่งในฝั่งนอกเหมือนอะไรเหมือนกับงูละคราบเก่าที่ขํามค้าไปฉะนั้นงูเนี่ยนะงูนี้ชื่อว่าไปด้วยอกอุระคา่ะอุระคะเนี่ยไปด้วยอกอุระก็แปลว่าอกค่ะเนี่ยหมายถึงไปเราไปด้วยอก อุระโคนั้นเป็นชื่อของงูงูเป็นสองชนิดเนี่ยนะชนิดงูที่มีกามเป็นรูปประทัดงูที่มีอาการเป็นรูปแม้งูที่มีกามเป็นรูปก็มีสองงูที่เกิดในาน้ํากับงูบนบกงูที่เกิดในานา้ําได้กามมารูปในาน้ําเท่านั้นหาได้กามมารูปบนบกไม่ดดสังขปาลนาคคาราชในสังขปาละชาดกงูที่เกิดบนบกย่อมได้กามมารูปบนบกเท่านั้นหาได้กามมารูปในานาามมา้ําไม่งูนั้นย่อมลอกหนัง ที่เรียกกันว่าคร่ำคร่าคราบนะครับก็คือหนังอ่ะที่คร่าคร่าเพราะเป็นของเก่าและว่าเก่าเพราะดํารงอยู่สิ้นกาลนานจึงลอกคราบไปด้วยวิธีสอย่างเหตุผลที่งูลอกคราบมีสี่อย่างหนึ่งที่งูลอกคราบได้นะต้องอยู่ในชาติกําเนิดของตนคือต้องอยู่ในกําเนิดงูสองเกลียดชิงชังไ อ, ไอตัวคราบเต็มทีแล้วสามต้องอาศัยสี่แล้วก็ด้วยกําลัง อธิบายว่าชาติกําเนิดของงูชื่อว่าสะชาติคิดว่ามีตัวยาวด้วยว่างูทั้งหลายย่อมไม่ล่วงชาติกําเนิดของตนคิดว่าทีขชาติชาติยาวเนี่ยนะสในการละอุบัตินะในการละอุบัติในการลจุติในการละล่วงความหลับที่ตนปล่อยแล้วแล้วก็ในการละที่ตนเสพเมถุนกับนางนาคที่มีชาติเสมอกัน5ในเวลาลอกคราบคืองูเนี่ยนะมันจะต้องอยู่ในชาติกําเนิดของตัวเองเวลาห้าห้าอย่างหนึ่ง ขณะที่เกิดต้องอยู่ในชาติกำเนิดงูงูนี่หมายถึงพญายนาคะนะสเวลาตายก็ต้องตายในในชาติกำเนิดของพญายนาค3เวลาหลับแล้วปล่อยใจเต็มที่เนี่ยหลับสนิทเลยจริงๆก็แปลสภาพมาเป็นงูอย่างเคยมีนาคที่ที่ปลอมตัวมาบวชเนี่ยนะพอหลับสนิทให้กลายเป็นพญายนาคเลยแล้วก็ขณะที่เสพเมถุนทำกับนางนาคชาติกำเนิดเดียวกันจะเป็นงูทั้งคู่เหมือนกัน เสร็จแล้วก็หลอกคราบเวลาลอกคราบก็ลอกด้วยคราบชาติกำเนิดของงูนั่นเองย่อมลอกคราบแม้ดำรงอยู่ในชาติกำเนิดคืองูก็รังเกียจอยู่อึดอัดอยู่ซึ่งการลอกคราบงูที่ชื่อว่าเกลียดคราบอยู่ก็คือเมื่อใดก็ตามที่ตนเป็นผู้พ้นจากคราบในฐานะกึงหนึ่งไม่พ้นไปจากคราบกึ่งหนึ่งห้อยอยู่เมื่อนั้นงูนั้นอึดอัดย่อมลอกคราบนั้นไปมันอึดอัดมากเลยนะแหม มันเหมือนมีอะไรมารัดอ่ะนะเหมือนมีอะไรจำเป็นต้องโลกออกไปจริงๆเรียกว่าชิงชังเอือมระอาเปลี่ยนนายคราบตัวเองก็เหมือนกระเสดอยู่ในปากนั่นแหละกลืนก็ไม่เข้านะมันถามว่าอยากอมต่อไปไหมเป็นต้นๆนะั้นะอา้าวก็มาจากตัวของเราไม่ใช่หรือเป็นต้นก็อยากที่จะเอาออกไปฉันนั้นอ่ะนะนะก็มันน่าอึดอัดอย่างนั้นแหละก็งูในะแม้นั้นอ่ะนะนะนะนะรังเกียจอยู่อย่างนี้อาศัยระหว่างท่อนไม้บ้างระหว่างรากไม้บ้างระหว่างแผ่นหินบ้าง แล้วก็ลอกคราบนั้นไปก็งูนั้นได้อาศัยระหว่างท่อนไม้เป็นต้นเมื่อจะลอกคราบไปทํากําลังให้เกิดขึ้นแล้วกระทําความอุตสาหะกระทําหางให้คดด้วยความเพียรกําลังเห็นอยู่นั่นเองก็แผ่พังพานแล้วก็ลอกคราบไปได้งูนั้นลอกคราบอย่างนี้แล้วก็หลีบไปได้ตามปรารถนาฉันใดภิกษุแม้ก็ฉันนั้นเหมือนการปรารถนาจะละฝั่งในและฝังนอกก็ละด้วยวิธีสี่ประการ นะครับพระภิกษุต้องการละออกจากวะตะนะัตาะหนึ่ดำรงอยู่ในชาติกําเนิดของตน2เกลียดอยู่ซึ่งการโลกคราบสาลกคราบไปเพราะอาศัย4โลกคราบไปด้วยกําลังชาติของภิกษุคืออะไรศีลชื่อว่าชาติกําเนิดของภิกษุพระบาลีว่าเราเกิดแล้วแต่อริยชาติเพราะฉะนั้นชาติในที่นี้หมายถึงศีลที่พระพุทธเจ้าตรัสในชตาสูตรว่าภิกษุผู้มีปัญญา ดำรงอยู่ในศีลแล้วพานให้อยู่ในชาติกําเนิดชาติกําเนิดคือศีลสองดำรงอยู่ในชาติกําเนิดคือศีลอย่างนี้แล้วเกลียดซึ่งฝั่งในและฝั่งนอกเกลียดซึ่งอัตภาพตนและอัตภาพอื่นซึ่งยังทุกข์ให้เกิดขึ้นเพราะเห็นโทษในเรื่องนั้นๆดุดงูเกลียดอยู่ซึ่งคราบเก่าอันค่ําคร่าของตนฉะนั้นเกลียดวัตฏะเลยว่าวัฏฏะนี้เป็นมันมีทุกข์มีโทษ ด, ดีเสียหายอย่างไร 3. อาศัยกาลยานมิตรทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น 4. ทํทำกำลังคือความเพียรอันมีประมาณยิ่งให้เกิดขึ้นแบ่งกลางคืนและกลางวันออกเป็น6ส่วนเพียรพยายามอยู่โดยในยะที่ท่านกล่าวแล้วนะ 6. ส่วน 6. 4. 24ใช่ั้ยก็หลับแค่สี่ชั่วโมงพอเหมนน อธิบายว่าโดยในย่าที่กล่าวแล้วภิกษุชำระ จ, จิตให้สะอาดจากอวรณนียธรรมทั้งหลายด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดทั้งวันเป็นต้นนั่งคูบลังดุดงูทำหางของตนให้คดฉะนั้นภิกษุแม่นี้พยายามอยู่เพราะความที่ตนมีความบากบันไม่ท้อถอยดุดงูที่กำลังมองดูฉะนั้นภิกษุแม้นี้ทำความแผ่ไปแห่งยานให้บังเกิดเหมือนกับงูแผ่พัผงผันยานนี้ต้องแผ่กระจายไปพิจารณานะ ไม่ใช่รอให้ปัญญามันเกิดเองมันต้องแผ่ไปกระจายแผ่ไปพิจารณาทั่วทุกหนทุกแห่งทั้งหมดเสร็จ แ, แล้วก็ย่อมละฝังในและฝังนอกเสียได้ดุดงูลอกคราบฉะนั้นครั้นสละฝังในและฝังนอกได้แล้วเป็นผู้มีคราบอันละแล้วดุดงูลอกคราบแล้วฉะนั้นภิกษุแม้นี้เป็นผู้มีภาระอันปรงแล้วย่อมก้าวไปสู่ทิศคืออนุ ป, ปาทิเสสนิพานธธาตุได้ตามความปรารถนา ผู้ที่ปฏิบัติถือเอาตัวอย่างเอางูลอกคราบเป็นอุทาหอในการปฏิบัติเพื่อลอกคราบตัวเองออกจากวะัตจะัก็ฉันนั้นดังที่พระองค์ตรัสว่าภิกษุใดกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ดุดหมอ ง, งูกําจัดพิษงูที่ซ่านไปด้วยโอสถภิกษุนั้นย่อมละฝั่งในและฝั่งนอกเสียได้ดุดงูละคราบเก่าที่คล่าคล้าไปเสียฉะนั้นกําจัดความโกรธที่เกิดขึ้นด้วยอะไร ด้วยกําลังคือการพิจารณาเสร็จแล้วก็ตัดฉันทราคะในวัตตะทั้งหมดกําจัดความโกรธ ด, ด้วยการพิจารณาเหมือนหมองูกําจัดพิษงูด้วยยาตัดฉันทราคาในฝั่งในฝั่งนอกดุดดุดอะไรงูลอกคราบเขาแบ่งออกเป็นสองสองระยะด้วยกันนะดูให้ดีในคาถาเนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองตอนใช่ไหมสองตอนตอนไหน ตอนแรกว่าภิกุใดกยกำจัดความโกรธที่เกิดขึ้นแล้วเสียได้ดุดหมองูกำจัดพิษงูที่ซ่านไปด้วยโอสดฉะนั้นอันนี้อุปมาข้อที่หนึ่งก่อนกำจัดความโกรธนี่กำจัดด้วยอะไรกำจัดด้วยกำลังคือการพิจารณาเหมือนอะไรเหมือนหมองูกาจัดพิษงูด้วยยาเพราะฉะนั้นโกรธเหมือนพิษงูพิจารณาเปรียบเหมือนยาเพราะฉะนั้นต้องหมั่นพิจารณาเนี่ยนะ อนุภาพของศีลเป็นเครื่องพิจารณาอนุภาพของสมถาวิปัสนาเป็นเครื่องพิจารณาถ้าพิจารณาเท่าใดก็กําจัดพิษภัยแห่งความโกรธเท่านั้นนะเพราะส่วนใหญ่ที่เราโกรธส่วนใหญ่ก็โกรธจากเรื่องที่เราไม่พิจารณาไม่ใคร่ครวญไม่รอบคอบไม่ละเอียดทีท้วนนะนะปล่อยปลาละเลยการปล่อยปลาละเลยไม่เจริญสติไม่เจริญปัญญานัน่นแหละบ่มเชื้อแห่งความโกรธ นันเวลาเราอยู่เฉยๆเนี่ยนะไม่พิจารณาอะไรก็ไม่เอาซากอย่างเนี่ยนะไปเรื่อยๆแต่ละวันปล่อยวันปล่อยคืนผ่านไปเดียวเธอจะกโกรธหนักที่สุดเนี่ยนะเรียกว่าชดเชยะที่เฉยๆมาทั้งหมดเลยเนะเพราะชดเชยอะไรนะเวลาที่ไม่พิจารณาทั้งหมดมันถ้าปล่อยใจให้เป็นไปกับบาปอากุศลทั้งหลายเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยจ่ายแพงที่สุดจ่ายด้วย บอกว่าจ่ายด้วยเงินก็ถือว่าหนักอยู่แล้วใช่ไหมนี่มันจ่ายด้วยโทสะนี่จ่ายด้ว ย, ย, วยอกบาปอากุศลที่อยู่ในในใจเนี่ยเสียอริยทรัพย์คือศรัทธาหมดนะเสียอริยทรัพย์คือศีลหมดเสียอริยทรัพย์คือหิริโอตตะหมดเสียอริยทรัพย์คือสุตสสสตะหม ด, มดนะโกรธขึ้นมาฟังทำรู้เรื่องไหม ย, ยาก <c oughs> จ่ายด้วยอริยทรัพย์คือจาคจ่ายด้วยอริยทรัพย์คือปัญญาเนี่ยนะโอ้จ่ายแพงมากนะโกรธทีหนึ่งเนี่ยนะแต่ว่าคนไม่ได้คิดว่าอาริยศรัทธา ศีลฮิริโอต ป, ปะสุตะจารค้าปัญญาถ้าไม่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์นะเวลาโกรธก็เลยไม่รู้สึกว่าสูญเสียอะไรแต่จริงๆเสียหายมากเสียหายอริยทรัพย์หมดเลยอุตสาหไปรับมรดกจากพระพุทธเจ้าเรียนแทบเป็นแทบตายเนี่ยนะโกรธขึ้นมาหายหมดเลยเนี่ยนะเสียดายทรัพย์จังเลยนะแล้วก็เวลาโกรธขึ้นมานิ่ยโพธิปักษิธรรมนี่ยหลุดร่วงหายไปไหนหมดก็ไม่รู้เพรา ะ, ะนั้นเวลาที่โกรธขึ้นมาบาปอกุศลเกิดขึ้นมานั้นเสียหายมากมันพิจารณาบ่อยๆ มันก็จะโกรดน้อยลงถึงจะโกรธอยู่บ้างก็อยจะชื่นชมว่าความโกรธมันเป็นของดีก่าแล้วกันเนี่ยนะให้มันเป็นของมีพิษเป็นของเลวร้ยรายพิจารณาเท่าไหร่ก็เหมือนกับกินยาโรคบางอย่างไม่ใช่กินยาแคปซูลเดียวแลวหายเลยใช่ไหมหายไห ม, หไหมคุณหมอแคปซูลเดียวโดยมากเนะี่ยย า, าก็กินแค่ไหนนะโอนานนะกว่าจะหายใช่ไหมโดยเฉพาะโรคหลายตัวก็ทานยาต่อเนื่องกว่าจะหายฉันใด ถ้าเราพิจารณาความโกรธก็เหมือนกันอย่าพิจารณาครั้งเดียวพิจารณาครั้งเดียวไม่พอที่สําคัญในเวลาโกรธแล้วพิจารณาก็ไม่มีประโยชน์บางทียากมากนะนะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนราวไปเอพราะยิ่งพิจารณาก็เหมือนกับอะไรนะเดือดผู้พักผู้พักเพิ่พมมาเลยนะเพราะฉะนั้นจะต้องมันอะไรนะชะลอความโกรธเอาไว้เนะก็เหมือนว่าความโกรธเกิดขึ้นก็เหมือนกับอุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยเราขับมาด้วยความเร็วร้อยแปดสิบ้อยเก้าสิบเนี่ยนะแล้วคนอื่นเขาตัดหน้าเราโทษเขาได้ไหม โทษเขาไม่ได้หรอกเพราะเรามาแรงเองอันนี้เกินไปเราก็เหมือนการปล่อยกายปล่อยใจมาตั้งนานแล้วนะปล่อยเหมือนก็ปล่อยนั่นแหละในที่สุดก็อุบัติเหตุโคลมทางความคิดป่วยเลยอย่างเงนะเรียกประกันอะไรก็ไม่ได้ซากอย่างนะอริยสัพศูญหายไปหมดเนี่ยกว่าจะฟื้นตัวได้อีกทีเนี่ยก็รู้ตัวว่าอ้าวหมดตัวไปแล้วเนี่ยนะมันพิจารณาบ่อยๆพิจารณาเท่าใดก็กําจัดความโกรธได้เท่านั้นเนี่ยนะมันพิจารณา ถ้าเมื่อใดเราเห็นว่าซับคือการพิจารณาเนี่ยนะเห็นว่ากําลังคือการพิจารณาเป็นซับได้ก็อันนั้นก็จะเป็นประโยชน์ไม่ใช่น้อยเพราะว่าการพิจารณานั่นแหละเรียกว่าปัญญาปัญญาเขามีไว้พิจารณาเขาไม่ได้มีไว้ทําแกงว่างั้นตัดชั้นทราคาเหมือนอะไรเหมือนตัดชั้นทราคาในวัดตะเหมือนงูลอกคราบว่างั้นนะงูเบื่อคราบฉันใดปฏิบัติเพื่อเบื่อหนายและคลายกาหนัดนาย วัตตะฉันนั้นอันนี้คาถาที่หนึ่งจบด้วยประการชนนี้เรียกว่าจบลงด้วยยอดคืออรหัน